พระธรรมเทศนาแผ่นที่60ลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สองพฤษภาคม2554มีชื่อเรื่องว่าสาระของชีวิตคืออะไรวันนี้เป็นวันที่สอง พฤษภาคมพุทธศักราช2554วันนี้เป็นวันพระแรม14ค่ำเดือน5อเดือน5ดับละวันนี้เป็นวันเดือนดับเมื่อวานก็รู้สึกว่ามีลมพายุเข้ามาพอสมควรแต่ก็ไม่เสียหายในวัดของเราไม่เข้ามาไม่จังมันไปทางนั่นนะทางบ้านนาคังไปทางนู้นน่ะ ทำให้ต้นไม้โคน่นหลายต้นที่หลวงพ่อไปบินท บ, บาทเมื่อเช้าเนี่ยทำให้ชาวบ้านเสียหายบ้างแต่ก็ไม่มากนะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงวันที่ยี่สิบเจ็ดมายี่สิบเจ็ดกับวันเกิดของหลวงพ่อยี่บเจ็ดเมษาดังนั้นก็มีทุนกระหม่อมฟ้าหญิงเสด็จวันที่สามสิบ เสด็จกลับเมื่อวานในวันที่หนึ่งพฤษภาคมแล้วก็ทราบจากองค์ท่านว่าจะเสด็จอีกวันที่เจดวันที่เจ็ดพฤษภาวันเสาร์วันที่แดวันอาทิตย์จะทรงบาทที่วัดของเราคณะทายาทโยมโลูกหลานนะีมารับเสด็จมารับเสด็จเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดิน แต่หลวงพ่อจะได้ลงไปกรุงเทพวันที่สี่วันที่สี่เพื่อไปเตรียมการมอบทองที่สวนแสงธรรมจะมีการมอบทองเข้าคลังหลวงตามพินัยกรรมที่พินัยกรรมหลวงตาท่านบอกไว้ท่านมอบมาไว้ท่านเขียนไว้ก่อนหลวงพ่อเนี่ยในาน้ำองค์หนึ่งในพินัยกรรมนั้นหลวงพ่อจะต้อง ถึงยากลำบากยังไงก็ต้องลงไปไปดูความพร้อมของงานและก็วันที่7ชั้นยังหันบิณฑบาตชั้นยังหันเสร็จสิบเอศูนย์ูนย์นอทนกระหม่อมฟ้าหญิงจะเป็นองค์ประธานรับอมอบทองคำแล้วก็คุณ ชายทองสิริทองแถมคุณชายปัม๊มที่เป็นลูกศิษย์หลวงตาเก่าแก่เป็นผู้กล่าวรายงานเรียกว่ากล่าวคำมอบทองคำที่ได้มาอย่างไรตามพินัยกรรมของหลวงตาเป็นมาอย่างไรหลวงตามอบอย่างไรจากนั้นก็อ่านรายงานเสร็จแล้วก็ถวายฟ้ายหญิงถวายภูมิกระหม่อมหญิงองเล็ดจากนั้น ฝ้ายหญิงก็มอบให้แก่คลังหลวงคลังหลวงก็คงจะกล่าวคำพิธีขอบคุณที่ได้ทองคําเข้าครังหลวงลักษณะอย่างนั้นอ่ะพิธีกรรมจากนั้นพระสงฆ์ก็อนุโมทนาให้พรเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็คงจะบินกลับละจะเนีหาพิธีบินกลับ เพราะว่าฝ้ายหญิงท่านก็จะเด็ดวันที่เจดตอนเย็นหลวงพ่อเป็นเจ้าของบ้านก็ต้องมาดูสถานที่แล้วก็ขอในขณะที่หลวงพ่อไม่อยู่นะก็ขอให้พวกเราลูกหลานทุกค น, นพระเนรทุกองช่ยช่วยกันอำนวยความสะดวกมีตำรวจทหารเข้ามากะดูดูโรงครัวเลี้ยงหงอาหาร ให้เหมือนตะก่อด น, นั่นแนหะเหมือนหลวงพ่ออยู่นั่นแนหะขาดเหลือขาดตกอะไรก็ช่วยชวยกันดูพี่น้องชาวบ้านก็ช่วยชกันมามาดูช่วยช่วยกันหนะ้าอันนี้ก็คือ อ, องค์ท่านที่เสด็จไม่ใช่ของเสด็จง่าย ๆ, ๆนะที่ไหนนะที่ท่านมาวัดของเรานะครับถือว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่ง ที่ปัจจุบันนั้นก็เสด็จที่วัดหลวงตาถือว่าหลวงตาเป็นท่านพ่อหลวงพ่อในฐานะที่เป็นลูกของหลวงตาี่เห็นไหมกําแพงของวัดหลวงพ่อเนี่ยใครเป็นคนสร้างหลวงตาเป็นผู้ให้ทุนมาทั้งยี่สิบกว่าล้านเขื่อนอีกมากมายแล้วก็สระน้ําอีกคล้ายๆอยู่ในวัดของเรานี่ หลวงตาออกทุนหลายอย่างมากมายทีเดียวแต่คิดเป็นเงินออกมาแล้วก็หลายล้านนี่แหละถ้าจะว่าไปแล้วที่หลวงตาสงเคราะห์อนุเคราะห์วัดต่างๆในวัดเราเนะี่ยรู้สึกจะมากกว่าทุกวัดพูดอย่างนั้นได้ถ้าสงเคราะห์แบบวัดอย่างทั่วๆไปเห็นโดยมากสงเคราะห์วัดอื่นท่านก็สงเคราะห์บ้าง แต่นอกจากนั้นท่านก็เน้นไปทางโรงพยาบาลโรงเรียนหรือทาวรนวัตถุชวนราชการที่จำเป็นท่านก็ให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะเน้นเครื่องมือแพทย์มากกว่าพราะเครื่องมือแพทย์เป็นสาธารณอันนี้ท่านให้จุดนี้มากแต่ที่ท่านให้เนี่ยวัดของเราเนี่ยถือว่าเป็น บุญคุณมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งที่ลงตาท่านให้กําแพงที่วัดของเราหรือว่าสะน้มในวัดของเราท่านก็เคยพูดไว้ว่าออวัดป่านาคำน้อยวัดของธรรมอินเนี่ยดูแล้วเป็นสถานที่สัปปายะนะเหมาะแก่การภาวนาเนี่ยท่านก็พูดไปรู้กี่ครั้งเหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็คือ สมัยเมื่อเราสร้างกาแพงเราเริ่มสร้างกาแพงถ้าหลวงพ่อจะไม่ผิดว่าได้นิมนต์หลวงตานั่งรถไปในกาแพงเหมือนกันไปดูทั้งหลังวัดเหมือนกันครั้งหนึ่งที่ท่านมาจากนั้นท่านก็มาเทศที่สาลาอบรมพระแต่ก่อนเก่าท่านมาเกือบวกัว่าเดือนละสองครั้งก็ยังมีเดือนละครั้งหนึ่งเกือบวกับว่าไม่ขาดนะ เดือนละสองครั้งก็คือยังคิดว่าเคยมีแต่ก็น่าเสียดายแต่ก่อนหลวงพ่อก็เคยอยู่กับท่านมานานเวลาลงตาจะเทศเนี่เราจะไม่ให้ยุ่งถ้าเราท่านถ้ า, ท, า, ท, าท่านเห็ น, นเครื่องอัดเทปเนี่ยท่านจะหยุดเทศแต่ต่อมานี่ท่านก็ให้อนุญาตให้เทศเแต่เรากลับลาไม่ทันเราก็ได้อัดเทปไว้เป็นบางส่วนเหมือนกัน แต่ก่อนหน้านี้กระทันรัตรนะอยากจะเอาเทปออกอยากจะเอาเทปออกในวันเกิดของหลวงพ่อหลวงพ่อเอออย่าอย่าพิ่งเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาองคหลวงตามีมากเดี๋ยวก็จะหาว่าหลวงพ่ออินอยากดังฮะแต่บัดนี้หลวงตาผ่านผ่านไปแล้วนะหลวงพ่อก็บอกเลยนะบอกท่านชิดกับท่านรัตรนะจะเอาเทปหลวงตาออกก็ออกได้นะที่นี่นะ แต่ไม่จริงหน้าจะเอาออกสมควรอย่างยิ่งที่จะเอาออกเรานั้นที่ท่านมาที่วัดของเราท่านเทศอย่างไรเพราะเป็นธรรมคำําสอนนี่เป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งต่อเนื่องไปท่านพูดไว้ที่ไหนท่านพูดอย่างไรท่านพูดกับใครที่ไหนหน้าจะเอาออคําพูดของท่านออกมาได้เลยท่านนี่ออกมาเผยแพร่ให้แก่พวกรังเราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้กันเลยแหละ อันนี้สรุปแล้วก็คือวัดของเราเนี่ก็เป็นวัดของหลวงตาที่ท่านเมตตาท่านอนุขเคราะห์ทางด้านวัตถุพรผะนั้นหลวงพ่อเองก็ได้ทูลกับทูลกระหม่อมเหมือนกันว่าหญิงเหมือนกันว่านี่วัดนี้เป็นวัดขององค์หลวงตาอ่าอตมาภาพเองก็เป็นในนามของลูกของท่านเรียกองค์หลวงตาว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูจารย์ทุกคา ที่เราเรียกอง์หลวงตาทีนี้ก็ทูลกระหม่อมหญิงนี่ก็ท่านก็เรียกหลวงตาว่าท่านพ่อท่านพ่อะเรียกหลวงตานแต่หลวงตาท่านก็เรียกทูลกระหม่อมหญิงว่าอทูลกระหม่อมทูลกระหม่อมหญิงทูลหม่อมลูกทูลกระหม่อมลูกหลวงตาท่านเรียกอย่างนั้นเรียกฝ่าหญิงเป็นอันว่า ท่านให้ความเมตตาต่อองค์หญิงมากท่านบอกว่านี่นะฟ้าหญิงท่านก็ถามว่าท่านพ่อเจ้าขาคำว่าเข้าสู่นิพพานเนี่ยแปลว่าดับศูนเลยใช่ไหมท่านพ่อนะองค์หลวงตาตอบว่าไม่ใช่ศูนย์ไปอยู่ในที่ไม่มีกิเลสตรงไหนไม่มีกิเลสล่ะคะโทสมัมโมหะ จิตที่บริสุทธิ์นั้นไปอยู่ที่นั่นดวงตาพูดอย่างนั้นเพราะนั้นพอให้ฟ้าหยิงประพฤติตนรวงตาจะคุ้มครองท่านก็พูดลักษณะอย่างนี้แหละอันนี้ทนกละหมอมท่านพูดนะสรุปแล้วก็คือมันก็ไปจิต ของเรื่ความผู้รู้ของพระอรหันต์ท่านก็ไปอยู่ในมิติหนึ่งมิติที่ว่าธรรมธาตุธาตุที่เป็นธรรมแต่ไม่มีกิเลสราคะโทสะแฝงในธรรมธาตุดันแล้วก็ไม่ไม่มากลับมาเกิดอีกในในมนุษย์ไม่กลับมาเกิดอีก เพราะหมดเชื้อแล้วแต่พระอนาคามีถึงจะไม่หมดเชือ้อแต่ท่านก็ไปอยู่พรมพรมห้าชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็บพรมพระอนาคามีตัดกิเลสราคะโทสะโมหะตัดกิเลสราคะกับโทสะได้เด็ดขาดคือพระอนาคามีแต่ยังเหลือแต่โมหะคือความหลงติด ใจของพระอนาคามีอยู่น้อยนังเพราะนั้นท่านจึงท่านจึงขึ้นไปชําระใจขององค์ท่านดูที่ชั้นพรมเมื่อชําระเสร็จแล้วท่านก็เข้าสู่ น, นิพพานไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกอันนี้คือพระอนาคามีนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงตาท่านสงเคราะห์อนุเคราะห์วัดของเรา หลวงพ่อเองก็ได so we ้พูดกับทูลกระหม่อมว่าทูลกระหม่อมจะเสด็จวันไหนปลีกวิเวกจะเนืปลีกวิเวกวันไหนเดี๋จะมาอย่างไรขอเป็นตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมตามสบายเน่องเพราะวันนี้เป็นวัดขององค์หลวงตาเป็นวัดของอาตมาภาพก็จริงอยู่แต่ในนามของหลวงตาหลวงตาก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อย่างพระในหลวงขึ้นมากราบองค์หลวงตาในหลวงท่านก็ถามมดท่านก็บอกในในในเอ็มพสามหลวงตาบอกในหลวงท่านบอกว่า อ, อจะมากราบท่านพระอาจารย์ก็เกรงใจเกรงใจพระอาจารย์หลวงตาตอบทูลในหลวงว่าแผ่นดินทุกกะเบียดนิ้วในแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินของพระองค์ พระองค์จะเสด็จมาเมื่อไรวันไหนที่ไหนเป็นตามพระประสงค์ของพระองค์เสด็จได้ทุกเวลาไม่ต้องคำว่าเกรงใจผู้ใดนั้นไม่ควรจะมีนี่แหละคือหลวงตาท่านให้เปิดโอกาสถึงขนาดนั้นเพราะว่าพื้นแผ่นดินไทยคือพระบาทพระบาทจุลเดชพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ปกครองมาตั้งแต่ทายาทเข้ามาตั้งแต่ พระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นองค์แรกจากนั้นก็ปกครองมาเรื่อยๆนี่แหละอันนี้ก็คือแผ่นดินไทยเพราะนั้นหลวงตาท่านพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าผิดเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราพวกลูกหลานทุกคนนะจะช่วยๆกันมา ดูมาแลมารับเสด็จเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลเป็นมงคลสำหรับพวกเราเนั่นแหละอถวงพ่อว่าท่านจ ะ, ะเสด็จไปที่ไหนท่านหาได้ยากแต่ท่านก็ไม่ได้ให้ผู้ใดใครเดือดร้อนแต่ท่านก็ตามมาเสด็จตามอัธยาศัยแต่พวกเราควรทําอย่างไรนั่นเป็นหน้าที่ของพวกเรานเนรับ เมื่อท่านเสด็จมาแล้วพวกเราควรทําอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราพะศกนิกกรหรืออย่างโด ย, โดยเฉพาะอย่างยิ่งดังอย่างหลวงพ่อเนะี่ยเมื่อท่านเสด็จมาแล้วหลวงพ่อควรจะทําอย่างไรอันนี้หลวงพ่อก็ทําให้ดีที่สุดไม่ให้ขาดตกปกคล้องในหน้าที่ของหลวงพ่อเพราะนั้นหลงพ่อถึงจะไปมอบทองคาเสร็จแล้วหลวงพ่อก็จะต้องรีบขึ้นมามายึงที่วัดของหลวงพ่อวันที่เจ็ แต่กับวันที่แปดท่านกดสรงบาทอย่างที่เคยทำเนะี่ะส่งบาทที่หน้าศาลาพระสิบเก้ารูปก็ขอให้พระจัดหด้วยนะองค์ไหนไปที่ไหนบินทบาทที่ไหนสายไหนผู้ที่จะบินทบา ท, ทําอย่างไรกายช่วยๆกันคิดนะ่ะที่หลวงพ่อไม่อยู่นะหลวงพ่อก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเหมือนกับพ่อให้ดูพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างนั้นนะ่ะ แถ้าว่าพ่อไม่อยู่ก็ต้องมอบมอบปมาให้แ ก, ลก่ลูกๆทั้งหลายช่วยกันดูอันนี้ครูบาอาจารย์อย่างลุงพ่อเป็นเจ้าของลุงพ่อจะต้องมอบหมายให้พวกเราที่ลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้เกี่ยวข้องช่วยช่วยกันดูนะอย่าให้ขาดตกปกพ่องอันนี้ถึงจะสั่งไปแล้วก็ตามแต่ความห่วงใยนั้นะก็ยังมีอยู่เอ๊ะจะปฏิบัติตัดสินใจได้อย่างเราหรือเปล่าหนะ้าเนี่ย ก็ยังต้องได้คิดอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะจนกว่างานชิ้นนั้นผ่านไปแล้วไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคจึงค่อยสบายใจโล่งอกไปครั้งหนึ่งต่อครั้งต่อไปก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็คือหน้าที่ของเจ้าของหรือว่าพ่ อ, พอแม่ที่เป็นผู้ดูแลเป็นผู้เจ้าของของกิจการเรื่องเจ้าของของวัดหลวงพ่อที่เราเปรียบเทียบกับลักษณะ เดียวกันนะั่นแหะเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพ่อเป็นแม่นะเวลาหนีจากบ้านออกจากบ้านก็ต้องสั่งเสียลูกถ้าลูกทำดีไม่มีปัญหาไม่สร้างปัญหาจัดการเรียบร้อยพ่อแม่ก็กลับมาก็ภาคภูมิใจแต่ถ้าเอาลูกกลับมาแล้วเกิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่จะเกิดเกินเกิดประโยชน์กับเป็นโทษขึ้นมาอีกพ่อแม่ก็กลุ้มใจหนักใจ ก็ไม่แพ้กันเนี่แหละวัดวาศาสนากับพวกบริษัททางร้านครอบครัวของเราคนลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะใครมีหน้าที่อะไรทําหน้าที่อะไรแอบช่วยกันดูอย่างที่ผ่านๆมาอย่าให้ขาดตกบกพร่องช่วยๆกันดูติดต่อพวกส่วนราชการเข้ามาเกี่ยวข้องกับพูดด้วย น้ำใสใจจริงบวชพูดด้วยมีน้ำใจมีอัตรยาใสาที่ดีแ อ, อย่าไปพูดแบบขวานผ่าซากมะนาวมะนาวไม่มีน้ำไม่มีไม่มีความเยื่อใยนั้นไม่ถูกนะ เ, เราอยู่กับเขามาอยู่กับผู้คนแต่ไม่มีความเยื่อใ่อันนั้นใช้ไม่ได้ไปอยู่นักสถานที่ใดผิดหมดไปเป็นผีเป็นสารพระภูมิก่น่ น, น อีกสักวันหนึ่งเขาจะเอาไฟไปเผาสารพระภูมิทิ้งแปลว่าผีท่านไม่เอื้ออานวยไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้เขามาดูมาแลนี้ก็เหมือนกันน่นะพระสงฆ์ที่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาอยู่อย่างนี้มีอะไรต้องมีน้าใจต้องมีเมตตาต้องมีการเสียสละอย่างองหลวงตาพวกเราคิดดูสิหลวงตาที่คนไปกราบไปไหว้ไปสักการะบูชา มากถึงขนาดนั้นเป็นประวัติศาสตร์ของโลกของประเทศเพราะอะไรทำไมคนจึงมามากถึงขนาดนั้นไม่ใช่แต่คนประเทศไทยตัวนั้นต่างประเทศก็ไม่ใช่น้อยเลยที่เขามากลาปงลปลงลุงตาเพราะอะไรเพราะหลวงตามีเมตตาเพราะหลวงตามีน้ำใจเพราะหลวงตาเสียสละเพราะลงลุงตามีคุณธรรมในจิตในใจนี่แหละ สรุปแล้วคื อ, คอหลวงตาของเรามีคุณธรรมในจิตใจคนทั้งหลายจึงมากราบมาไหว้คุณธรรมในจิตใจแล้วปล่อยออกไปทางไหนปล่อยออกไปทางตาปล่อยออกไปทางวาจาพูดในทางที่ดีเป็นสิริเป็นมงคลไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นการกระทำทางกายก็มีแต่การสงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นให้ได้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขส่วนจิตใจของท่าน ใจิตใจของท่านบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะถึงผิดก็ต้องพูดว่าผิดถูกก็ถูกอุทวงว่าถูกสมควรมากน้อยอย่างไรแค่ไหนเป็นเรื่องของใจที่ท่านจะต้องบอกกล่าวเป็นผู้แนะนําเป็นผู้ดุด่าว่ากล่าวสมควรกับอย่างไรเป็นหน้าที่ของท่านอันใจที่ใจบริสุทธิ์ของท่านนั้นนี่แหละเป็นที่ยอมรับพอพูดขึ้นไปแล้วไม่ก็ ไม่มีพิษมีภยัยสําหรับผู้ใดฟังได้ศึกษามีแต่เป็นที่ยอมรับกันท่วนหน้าเนี่ยเพราะดังนี่แหละทำอยู่ในจิตใจของผู้ใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความผาสุกเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพระเด่นทุกองค์นะจตหาญาติโยมทุกคนที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นให้ฟังกรับเพื่อเพื่อเป็นการศึกษานะเพื่อศึกษาเป็นแนวความคิด แต่ละวันคนเราเนะี่ยถ้าอยู่เฉยๆไม่คิดไม่อ่านอะไรก็ไม่ดีนะถ้าคิดถ้าคิดปรุงฟุ้งไปออกนอกลูก่นอกทางจะเป็นบา้าเป็นบออันนั้นก็ไม่ดีอีกเหมือนกั น, นคนที่คิดจนเกิดประสาทเป็นโรคประสาทขึ้นมาเพราะคิดมากพิจกกังวลมากก็มีตั้งมากมายแต่คนไม่คิดไม่อ่านเฉยเลยความจำอะไรก็เสื่อมหมดอันนั้นก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้น อย่างไงอย่างไ ร, งไรมันถึงจะพอเหมาะพอเหมาะพอดีรู้จักกาละเทศะบุคคลการสถานที่บุคคลควรทํำยังไงไม่ควรทําอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันปรับปรุงแธรวทช่วยกันทําให้ถูกต้องเป็นธรรมที่สุดนะให้ถูกต้องที่สุดเป็นธรรมที่สุดให้เหมาะสมที่สุดนะให้ดีที่สุดนะ นั่นะกรรมที่สุดอยู่ตรงไหนก็พยายามไปไปอยู่จุดนั้นล่ะขอให้พวกเราทุกคนนะสรุปแล้วก็คือถึงยังไงก็อย่าตั้งอยู่ในความประมาทการสสแสวงหาทรัพย์การหาเงินหาคาทรัพย์สมบัติก็จำเป็นการหาธรรมก็จำเป็นให้พวกเรานั่งคิดหลับตาคิดนั่งทำใจให้นิ่งๆสมาธิคิด สาระของสาระชีวิตของคือของเราคืออะไรให้ทบทวนจิตที่ที่เป็นสาระที่ว่าเป็นแกนสารที่เราจะยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของของเราหนคืออะไรสาระของชีวิตของเรานั้นคืออะไรให้พวกเรานั่งคิดนั่งคิดนอนคิดหลับตาคิดให้ดีทําใจนิ่งๆคิดเงินคําทรัพย์สมบัติใช่ไหมสาระ ของชีวิตใช่มันเลี้ยงร่างกายได้แต่ว่าเราจะไปยึดทรัพย์สมบัติทีเดียวก็ไม่ได้พี่น้องเพื่อนฝูงวงศาคนาญณะยศฐามบรรดาศักช่ยไหมเป็นสาระของชีวิตดูดูแลก็ไม่ใช่เพราะทุกเสียงทุกอย่างถึงวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งทั้งหมดทิ้งทั้งเงินทั้งทองทั้งวงศาคนาาญติทั้งณพยศฐามบรรดาศักขนาดร่างกายคนตรงเองก็ยังทิ้ง ยังเป็นกระดูกทิ้งแล้วอะไรคือสาระของชีวิตเนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านบอกสาระของชีวิตคือธรรมธรรมคือความถูกต้องคือหลักเหตุผลใจของเราเนี่ยถึงร่างกายจะแตกไปก็จริงแต่ใจของเรานั้นไม่แตกไม่ตา ย, ไ ม, ตายไม่สลายเพราะนั้นต้องต้องทําใจให้เป็นเป็นธรรมต้องทําใจให้มีเหตุผลใจตัวนี้ชําระได้ให้เป็นนักเลงได้ ให้เป็นคนโง่ได้ให้เป็นคนฉลาดได้ให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระาราหันก็ได้เป็นพระโสดาสกทาคามีก็ได้เป็นโจรผู้ร้ายก็ได้ใจตรงนี้ฝึกได้ถ้าฝึกให้เร็วสามก็ได้ฝึกให้เป็นบัณฑิตนักปราศก็ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ฝึกใจให้ฝึกใจให้พ้นจากทุกฝึกใจไม่ให้มีกิเลสนะ นี่แหละนี่เราขอให้พวกเราทุกลานทุกคนนะให้คิดดูให้ดีว่าสาระของชีวิตนั้นคืออะไรเราจะมีอะไรที่เป็นหลักยึดทางด้านจิตใจเพราะฉะ้พวกเราหานะหาหาหลักยึดทางด้านจิตใจแต่พวกเรามีแต่หาเงินคำทรัพย์สมบัติธรรมด า, าจากนั้นก็แบมือร่วมกันทั้งหมดเอาอะไรไปด้วยเอาอะไร ไปด้วยไม่ได้สักอย่างนะต้องทิ้งอย่างหลวงพ่ออินก็เหมือนกันแห่หลวงพ่ออินเนี่ยวัดขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้มีคนนับถือนับหน้าถือตาในวันเกิดมากมายถึงขนาดนี้หลวงพ่ออินจะได้อะไรหลวงพ่ออินก็ทิ้งกระทั่งกระดูกตัวเองเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ยังเป็นอยู่เราก็จะพยายามทําให้ดีที่สดุด อดีที่สุดพูดดีที่สุดทำดีที่สุดคิดดีที่สุดอันไหนเป็นที่สุดเราจะทำสิ่งนั้นแต่ในใจส่วนลึกแล้วเราจะต้องคิดไวในใจถึงจะทำดีขนาดไหนก็จ ะ, จะต้องต้องปล่อยทิ้งจะต้องวางมีแต่คุณงามความดีมีแต่บุญกุศลเท่านั้นละ่ะที่จะนาจิตใจของเราไปสู่มักสู่ผลถ้าเราละ ก, ก, กิเลสกิเลสได้เราก็เป็นพระอรหันต์เข้าสู่ น, นิพพาน ถ้าเรายังไม่ไม่ขนาดนั้นเป็นพระอริยะบุคคลชั้นไหนพระอนาคามีพระจักทาคามีพระโสดาบันก็ยังเป็นที่พอใจแต่ถ้าต่ำกว่านั้นลงมานะ่ไม่แน่นะ่นเออไม่แน่เหมือนกับแวกไหวในกลางมหาสมุทรทะเลยังที่หาที่เกาะไม่ได้ยังจมมุดจมว่ายอยู่เออเพราะเหตุไรเพราะว่า ยังหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ถ้าเป็นพระโสดาบันขึ้นมานะ้มีบันไดเกาะแล้วที่จะไต่เต้าขึ้นสู่ส น, นิพพานแต่ถ้าว่ายังไม่ถึงเป็นยังไม่ถึงพโสดาบันยังเป็นปุตชนอยู่นะ่ะเหมือนกับอยู่ในกลางมหาสมุทรไม่รู้ว่าฉลามไม่รู้ว่าปลาวานไม่รู้ว่าสัตว์ตัวไหนแมงกะพงแมงกะพุนจะทำร้ายทำรายเราได้ทุกเวลาเวลาเพราะเหตุไรเพราะ เรายังไม่มีจุดหมายปลายทางเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอพวกเราได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาบำเพญ็ญสิทธานศีนภาวนาแล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าอยู่ทางไม่ในความประมาทอย่างน้อยเราก็จะได้หาที่ยึดทางด้านจิตใจ เราเพ่งมองหาสาระของชีวิตของเรานั้นคืออะไรนะถ้าพวกเราหาแล้วมันก็ต้องเจอนะถ้าเราไม่คิดไม่อ่านเฉยๆมันก็ไม่เจอนะตอนนี้ไปรับพร น, นะตนนี้นมทนาให้พร